50 languages. 88 g h t y e i g h t Yembattingtu. Adiṭakaṇa of the a c i o n of the help. Sahayaka kriyapadagada bhutakala y r a d o s h a y o a n a t นันนบอมเบยจุตออดัลูอิสตลลลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอ ล, ลอนม่ลูชดูอาดัลอิสต์ลลสามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉันนันน่ะห็นตตีนันน่จเชดุรังกาอาดลูอิสตดลิล ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่นนั้นน่ะมักกะลวายุวิหารเก็บบาระลอสต์ลลพวกเขาไม่อยากจัดห้องอวรูโคเนยันโนวอร์นาวากีอิดาลูอิสตพลลพวกเขาไม่อยากไปนอนอวรูมาลัลกะลอิสตลล เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีมเอาโน่ไอศครีมอันโน่ตินนบารดากิตัวเขาไม่ได <motivation> ้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลตเอาโน่ช็อกโกแลตอันน่ตินนบารดา g i ตัวเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวานเอาโน่สักการ์มิ้ทไทยกันันน่ตินนบารดา g i ต ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร น, น้าหนูเย็นนั้นน่าดอรสบดิตดฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดน้าหนูวุ่นดูอุดุกิเย็นหนูคนละบหุห ด, ดิตดฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตน้าหนูวุ่นดูช็อกเลตันหนูเที่ยงดูคนละบุหด คุณสูบบุหรีบนเครื่องบินได้หรือนี่นู้วิมาณอัต ล, ลีดูมาปานามาดะบะฮดิตคุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือนี่นู้อสปเตรยีย ล, ลีเบียร์คูดิอาบะฮูดากิเตคุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือนี่นู้นายอนุวัฒน์ทกรุณาดลุเกย์กระดูกนดูฮกูกะบต ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลารดิวสักดลลมักจะรู้เ ห, ห, เหตุุ่หระเกรบดาตุพวกเขาเล่นที่สนามได้นานอวุอังกาดลลีตัา้าสมีอาดบห่หดาิตุพวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ ಅವರು ತುಂಬ มบาสมัยยาเย็ดดีระบหุดะกิ